พระบรมมหาราชวังหรือที่ชาวบ้านนอกรั้ววังมักใช้เรียกขานกันสั้นๆว่าวังหลวงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งแห่งราชวงศ์จั ก, กรีส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2325วังหลวงเป็นสถานที่สถิตของสิ่งศักดิ์สิทธิ์รวมถึงเป็นสถานที่เคร่งครัดเข้มงวดในกฎระเบียบและพระราชประเพณีในราชสำนัก ชาววังหลวงก็เลยเชื่อกันค่ะว่าทุกบริเวณในเขตรั้ววังล้วนมีเทวดาปกปักรักษาแม้แต่ประตูพระราชาวังก็มีประเพณีที่เคร่งครัดโดยเฉพาะธรณีประตูซึ่งมีกฎนะคะว่าใครที่จะเข้าออกหรือว่าเดินข้ามไป อย่าเหยียบธรณีเป็นอันขาดค่ะเพราะว่าธรณีประตูเนี่ยจะมีเทพเทวดาแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จิงสถิตอยู่นะคะคอยรักษาขนาดว่าถ้าผู้ใดไม่รู้แล้วก็เผลอไปเหยียบเท่าเนี่ยก็จะถูกเจ้าหน้าที่กรมโคลนผู้รักษาประตู ด, ดุเอาหรือว่าบางทีอาจถึงกับถูกสั่งให้ก้มลงกราบธรณีประตูเพื่อเป็นการขอขมาลาโทษเลยทีเดียว ทุกสถานที่เมื่อมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปากรักษาและยิ่งเป็นสถานที่เก่าแก่แล้วก็มีความเป็นมาแบบยาวนานก็ย่อมมีเรื่องที่จะต้องมีความลี้ลับมีความอาถรรพ์ปะปนอยู่เสมอเรียกว่าเป็นของคู่กันค่ะเรื่องเล่าของชาววังในอดีตเกี่ยวกับอาถรรพ์แล้วก็วิญญาณในวังหลวงก็เลยล้วนแต่น่าฟังแล้วก็ชวนติดตาม เล่ากันว่าชาววังในสมัยรัชกาลที่5ก็กลัวผีไม่น้อยนะคะมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งซึ่งเป็นเรื่องราวชวนขนหัวลุกที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นแล้วก็ยังเป็นที่เล่าสืบต่อกันมาไม่รู้จบสิน้นพวกในวังเนี่ยมักจะมีการเล่นที่สำรานสนุกสนานกันที่บริเวณสระน้ํากว้างขวางแห่งหนึ่งภายในวังสระน้ําจะมีท่อทานน้ําไหลเข้ามาจากแม่น้ําเจ้าพระยาทั้งสองด้านนะคะหัวแล้วก็ท้ายสระ ก็จะมีบันไดอิดถือปูนเป็นทางลงสำหรับไปตักน้ำได้ว่ากันว่าเมื่อแรกสร้างนั้นน้ำเต็มเปี่ยมก็ใสสะอาดดีเพราะว่ามีกฎข้อห้ามจากเจ้านายไม่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดลงไปอาบหรือว่าทำความสกรปรกในบริเวณใกล้ขอบสระนั้นที่บริเวณสระน้ำนี้ยังมีต้นปีบขนาดใหญ่สูงระหงเลยแหละค่ะคู่กับต้นจันทร์ทอดกิ่งก้านสาขาใบดกเขียวร่มคึ้บ ปีบออกดอกก็จะขาวร่วงหล่นอยู่เต็มคนต้นส่งกลิ่นหอมแบบเย็นชื่นใจชาววังก็มักจะมาเที่ยวเก็บดอกปีบแล้วก็ลูกจันเล่นแต่ต่อมาได้เกิดเสียงเล่าลือไปในทางที่ไม่ค่อยเป็นมงคล ทำให้ชาววังเกิดอาการกลัวผีกันนักหนากลางค่ากลอนคืนก็ไม่กล้าออกไปไหนแม้แต่จะไปอุโมงค์ที่ถ่ายทุกข์ก็ยังไม่ยอมไปเพราะว่าทางที่จะไปเนี่ยจะต้องเดินผ่านบริเวณสระน้ํานั้นแต่ก็ไม่มีใครกล้าเดินผ่านค่ะทั้งนี้เพราะว่าพระเจ้าน้องนางเธอพระองค์เจ้า อ, อรไทยเทพกัญญาซึ่งเป็นพระธิดาของพระองค์หนึ่งในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประชวบด้วยพระโรคเรื้อรังกระเสาะกระแสะอยู่นานและได้สิ้นพระชนลง แม้จะทรงรักษาพระอาการประชวนด้วยวิธีแพทย์หลวงแล้วก็ทางศยศาสตร์หรือจะทรงหมั่นบาเพ็ญพระกุศลโดยหวังว่าจะให้หายจากพระโรคแต่ก็ไม่หายค่ะแต่ก็มีเรื่องเล่ากันภายในว่าทรงเป็นโรคประสาทแล้วก็ทรงกระทาวัดพิฆาติกรรมก็คือการฆ่าตัวตายจนสิ้นพระชนนั่นเองนะคะเมื่อพระองค์เจ้าพระองค์นี้สิ้นพระชนลงต่อมาก็มีการโจดจันกันค่ะว่า มีผู้ได้ยินเสียงร้องไห้โหยหวนในยามวิกาลแล้วก็มีการกล่าวขวัญกันต่อๆมาและสรุปว่าเป็นเพราะเสด็จพระองค์นั้นเพิ่งจะสิ้นพระชนคงจะทรงไปทนทุกเขเวทนาอยู่ก็เลยทําให้หวาดกลัวกันไปทั้งวังหลวงจนเรื่องนี้รู้ไปถึงพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5จึงทรงมีพระราชดำริให้แก้อาถรร น, นี้ด้วยการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายสังฆทานแล้วก็ทรงสั่งให้ขุดสระน้ํำ เพื่ออุทิศส่วนกุศลส่งไปโปรดพระเจ้าน้องนางเธอพระองค์เจ้านั้นให้พ้นทุกข์ค่ะเมื่อวันที่สระน้ำมีสร้างเสร็จก็มีพิธีฉลองสระ บรรดาเจ้านายพระบรมวงศ์ทั้งฝ่ายในยและฝ่ายนอกหลายๆที่นะคะก็พากันเสด็จมาร่วมบําเพ็ญพระกุศลตั้งแต่นั้นมาเรื่องเล่าชาววังเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวก็เลยเงียบหายไปส่วนสระน้ำที่ขุดใหมน่นี้ชาววังในสมัยนั้นก็จะเรียกกันว่าสระพระองค์อรไทย เรื่องลี้ลับของชาววังหลวงไม่ได้มีเพียงเท่านี้เพราะว่าหลายๆคนก็เจอดีและก็มีประสบการณ์ที่พิสูจิ์ไม่ได้อันเป็นที่แปลกประหลาดแหวกแนวกันไปคนละอย่างโดยเฉพาะเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นในสมัยหลังช่วงรัชกาลที่8ที่9ก็มีเรื่องเล่าถึงชาวจีนคนนึงค่ะซึ่งเข้ามาซ่อมพระแท่นราชอาณาจซึ่งเป็นของสูงที่องค์พระมหากษัตริย์ได้ทรงใช้เอ็นพระวรากายมาแล้วหลายพระองค์จึงเป็นของศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีเทวดารักษาแต่ว่าช่างชาวจี ซึ่งเป็นสามัญชนคนนี้ไม่รู้จักประเพณีการให้ความเคารพในของศักดิ์สิทธิ์ซึ่งผิดกับช่างไทยถ้าจะมีการทำงานกับของสูงเช่นนี้ก็จะต้องมีการเอาดอกไม้ทูบเทียนมาถวายสักการะขอพระราชทานพระบรมราชานุ ญ, ญาตจากดวงพระวิญญาณเพราะว่าการซ่อมนั้นช่างจำเป็นจะต้องขึ้นไปเหยียบย่ำบนพระแทน่นเพื่อรื้อของเก่าออกเมื่อช่างชาวจีนผู้ที่ไม่รู้จักฟ้าสูงแผ่นดินต่า ไม่ได้ทำการวงสวงหรือขอพระบรมราชานุ ญ, ญาจากดวงพระวิญญาณพอมาถึงก็ทำการเหยียบย่ำแล้วก็รื้อเลยนะคะทำให้อยู่ๆก็พลาดตกลงมาจากพระแท่นราชอาณาจถึงกับสลบแล้วก็มีอาการากระอักเลือดออกมาทางทวารทั้งก้าที่พระแท่นราชอาดนั้นมีระยะความสูงจากขอบพระบันชนถึงพื้นไม่ถึงเมตร แต่กลับทำให้ช่างจีนคนนั้นถึงกับสิ้นใจตายนี่จึงเป็นเหตุให้ทางผู้รับเหมางานนี้ต้องรีบเอากระดาษเงินกระดาษทองมาเผาถวายสักการะเป็นการใหญ่ค่ะ เรื่องเล่าต่อมานะคะเป็นเรื่องจากทางข้าราชการฝ่ายนายสนักพระราชวังเล่าเองด้วยความที่ว่าสานักพระราชวังไม่ได้มีที่พักเพียงพอให้กับข้าราชการหญิงของสานักพระราชวังที่บ้านอยู่ไกลก็เลยได้จัดที่พักให้ตามตำหนักเรือนเก่าของเจ้าจอมมารดาหรือเจ้าจอมอื่นๆในเขตพระราชฐานชั้นนซึ่งบางทีก็สั่งให้ข้าราชการหญิงเหล่านี้ไปนอนบนที่ประทับของเจ้านายหรือเจ้าจอมเหล่านั้น ข้าราชการเหล่านั้นก็เลยเล่านะคะบอกว่าคนที่โดนเนี่ยซึ่งเป็นเพื่อนของเขาคืนแรกที่นอนก็โดนซะแล้วซึ่งอยู่ๆก็รู้สึกเหมือนมีคนเดินผ่านไปผ่านมาบางทีก็นอนตกเตียงเหมือนมีคนมาดึงก็เลยอยู่กันไม่ไหวค่ะก็รู้สึกเกรงในพระเดชานุภาพพระบรมวงศสานุวงศ์ที่ประทับและสิ้นพระชนกันที่ห้องนี้นะคะ จึงได้มาทำพิธีขอขมาลาโทษแล้วก็ลงมานอนที่ห้องรับแขกห้องนั่งเล่นในตำหนักแทนด้านบนก็จัดเป็นห้องสวดมนต์ไหว้พระของตัวเองไปก็ปรากฏว่านอนหลับสบายดีไม่มีสิ่งใดมารบกวนค่ะอีกเรื่องหนึ่งที่จะนำเสนอในวันนี้นั่นก็คือพระราชวังจันกเกษมแห่งกรุงศรีอยุธยาพระราชวังจันกเกษมแห่งกรุงศรีอยุธยาก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระราชวังโบราณแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำป่าศักซึ่งในอดีตพระราชวังจันกเกษมก็คือวังหน้าในสมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งปรากฏหลักฐานตามพระราชพงศาวดารสันนิฐานว่าสร้างขึ้นในรัชสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชประมาณพุทธศักราชสองพโดยมีพระราชประสงค์เพื่อให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเมื่อครั้งยังดำรงพระยศเป็นพระมหาอุปราช พระราชวังจันทรเกษมนี้ในอดีตนะคะยังเคยเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์แล้วก็พระมหาอุปราชที่สําคัญอีก7พระองค์นั่นก็คือสมเด็จพระเอกาทศรสเจ้าฟ้าสุทัศน์สมเด็จพระนารายมหาราชขุนหลวงสรศักดิ์หรือพระเจ้าเสือค่ะสมเด็จพระเจ้าท้ายสะสมเด็จพระเจ้าบรมโกศแล้วก็กรมพระราชวังบวรมหาเสนาพิทักษ์ซึ่งภายหลังเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองในปี2310 พระราชวังจันรเกษมถูกเผาทำลายวอดวายจึงได้ถูกทิ้งร้างไปจนกระทั่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ี่แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้มีการบูรณะปรับปรุงซ่อมแซมพระราชวังขึ้นเพื่อใช้สำหรับเป็นที่ประทับและในเวลาที่พระองค์เสด็จประพาสไปที่พระนครศรีอยุธยาค่ะ สิ่งก่อสร้างภายในพระราชวังนี้มีอายุเก่าแก่หลายร้อยปีและเพราะความเก่าแก่โ บ, บราณของพระราชวังเก่าแห่งนี้จึงเป็นที่มาของเรื่องราวอาถรรพ์เป็นที่สถิตของดวงวิญญาณที่ไม่ยอมไปผุดไปเกิด พระราชวังจันเกษมในสมัยหลังๆนี้มักใช้เป็นที่พักของเหล่านักโบราณคดีข้าราชการกรมศิลปากรที่ต้องเดินทางไปสำรวจขุดค้นโบราณสถานภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหรือแม้กระทั่งเวลารับน้องของคณะโบราณคดีมหาวิทยาลายัยศิลปากรหลายคนก็จะเจอะเจอกับเรื่องแปลกๆ แ, แล้วก็เอามาเล่ากันอยู่เรื่อยๆค่ะ มีเรื่องที่เล่าสู่กันฟังจากรุ่นพี่นักโบราณคดีคนหนึ่งรุ่นพี่คนนี้ก็ได้ไปใช้ชีวิตทำงานอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและได้พักอยู่ที่พระราชวังจันกเกษมเป็นการชั่วคราวในหมู่พระที่นั่งพิมานรัตยาคืนหนึ่งนะคะหลังจากที่เสร็จงานสำรวจที่วัดราชบูรณะ รุ่นพี่แล้วก็กลุ่มเจ้าหน้าที่ของกรมศิลปากรก็พากันไปหาเล่าดื่มกันที่ตลาดหัวรอข้างพระราชวังจันกเกษมจนเริ่มเมาก็เลยพากันกลับเข้าวังก็เดินกอดคอกันอ้อแอ้แก้ๆกัางๆค่ะส่งเสียงดังชนิดที่ไม่สำรวมกิริยามารยาทเข้ามาข้างในซึ่งเป็นการกระทําที่ไม่สมควรเรียกว่าไม่เคารพต่อสถานที่นะคะแล้วก็ก่อนที่กลุ่มคนเมาจะเดินมาถึงพระที่นั่งวิมานรัตยานั้น ก็มีบางคนค่ะบอกเอ่ยชวนให้ไปยืนตากลมชมวิวกันที่หอพิสัยสั ญ, ญลักษณ์เผื่อว่าลมพัดเย็นเย็นจะช่วยให้สั่งเมาได้บ้างเมื่อทุกคนเห็นพ้องต้องกันก็เลยพากันเดินโงนเงินไปที่หอสูงแห่งนี้ ซึ่งตามประวัตินั้นหอแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชแล้วก็ถูกทำลายพังยับเยินเมื่อคราวเสียกรุงครั้งที่สองแต่ว่าต่อมารัชกาลที่4ี่ท่านก็ปรดกล้าวปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นใหม่ตามแบบศิละปะเดิมตามรากฐานเก่าเพื่อใช้เป็นหอสองกล้องทอดพระเนตรดวงดาวกลุ่มคนเมาเดินมาหยุดนั่งพักก่อนที่จะถึงหอสูงนะคะ เมื่อทุกคนกวาดสายตามองไปยังบริเวณด้านล่างของหอสูงแต่ละคนก็ต้องตกใจจนแทบสิ้นสติเพราะที่ปรากฏนะคะบริเวณนั้นเนี่ยมีร่างเป็นเงาแบบตะคุ้มของใครก็ไม่ทราบหลายคนค่ะปรากฏอยู่และกลุ่มคนพวกนี้กำลังเดินใกล้เข้ามาหาพวกขี้เมาซะด้วยและยิ่งใกล้เข้ามาชิดตัวก็ยิ่งน่าตกใจเพราะว่าแต่ละร่างที่เดินมาประดานาเข้ามานั้นมีแค่ท่อนบนค่ะท่อนล่างนี่ไม่มี สำหรับผู้ที่พบเห็นเหตุการณ์สยองขวัญบางคนถึงกับก้าวขาไม่ออกยืนตัวสั่นอยู่กับที่เรียกว่าหายเมาเป็นปลิดทิ้งทุกคนเจอผีเข้าแล้วนะคะแต่ก็มีอยู่คนหนึ่งใจกล้าค่ะใช้ไฟฉายที่ถือมาส่องไปยังร่างของคนเหล่านั้นซึ่งยิ่งส่องก็ยิ่งเห็นแต่ความน่าเกลียดน่ากลัวเพราะว่าเขาเห็นร่างกายส่วนที่ขาดตั้งแต่บั้นเอวลงไปนั้นขาดการะรุ่งกระริ่งไม่มีชิ้นดี เมื่อเห็นอย่างนั้นแล้วทุกคนก็เลยรีบหมุนตัวกลับวิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิต ตกลงคืนนั้นไม่มีใครข่มตาหลับลงได้สักคนหนึ่งเพราะว่าภาพที่เห็นเนี่ยมันสุดจะบรรยายแต่ก็ทําให้ทุกคนนะคะเชื่อว่านี่คงเป็นการลงโทษของดวงวิญญาณศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางที่ครุ้มครองรักษาพระราชวังสถานที่แห่งนี้เพราะว่าเขาคงไม่ชอบให้ใครมาเกะ ก, กะทําตัวไม่เคารพสถานที่ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของอดีตวีรกษัตริย์และเจ้านายหลายๆพระองค์การมาปรากฏตัวเช่นนี้ก็คงเป็นการลงโทษสถานเบาให้หลับจํา ด้วยเหตุนี้หลังจากคืนนั้นแล้วกลุ่มนักโบราณคดีและเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรที่ได้เผชิญกับเหตุการณ์สยองขวัญก็เลยได้นิมนต์พระสงฆ์9ก้ารูปมารับประเคสพัตตาหารแล้วก็ถวายสังฆทานเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้กับดวงวิญญาณทุกดวงในพระราชวังจันรเ์เกษมเพื่อเป็นการขอขมาลาโทษที่ประพฤติตัวไม่เหมาะสมกับสถานที่ เรื่องการพบเห็นดวงวิญญาณที่วังโบราณ น, นี้ยังมีเล่าต่อกันมาเรื่อยๆในรูปแบบต่างๆโดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษาใหม่ที่ไปรับน้องที่นั่นก็มักจะเจอกันทุกปีนะคะว่าไม่ได้นะคะเรื่องราวของพระราชวังโบราณทุกที่เจ้านายเดิมข้าหลวงทหารรักษาวังบางคนดวงวิญญาณอาจจะยังคงปกปักรักษาสิงของที่สาคัญบางอย่างตามพันธะสัญญาที่เคยให้แก่กันไว้ หมดเวลาของบีแล้วล่ะค่ะสำหรับวันนี้ยังไงก็อย่าลืมนะคะกด s ั b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งด้วยเพื่อไม่ให้พลาดในการอัปเดตทุกคลิปของพระเจอผีด้วยแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ด้านล่างด้วยวันนี้ลาไปก่อนจเจอกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีค่ะ